ปฏิบัติเป็นวันแรกซึ่งก็ในสถานการณ์อากาศฤดูนี้การปฏิบัติก็มีสองลักษณะลักษณะที่เป็นบวกและลักษณะที่เป็นลบเนื่องจากว่าในช่วงของพระอาทิตย์แข้อยสุราสีเมษ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของทุกทุกปีอากาศก็เป็นนี้แต่ปีนี้มีความรุนแรงมากขึ้นก็ทำให้เราจะต้องปรับความรู้สึกกรรมฐานให้ให้ทันน ะ, ะคือทุกขเวทนา ท, ที่บอกแล้วว่าถ้ามันเกินเหล็กก็จะอ่อนสุขเวทนาถ้ามันเกิน เหล็กคืออ่อนถ้าปรับสุขเพื่อเวทนาให้สมดุลกันเหล็กก็จะเหนียวและแข็งตามที่ได้กล่าวไปเมื่อก่อนนั้นในการที่มีอากาศร้อนจัดสำหรับผู้ที่พยายามที่จะสมดุลเวทนาทั้งสองส่วนเข้ากันได้ก็ได้เปรียบที่จะทำให้เกิด กำลังของสติสมาธิปัญญาที่เร็วขึ้นในช่วงหน้าฝนก็สบายไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแสงแดดน้อยก็ทำให้ดูว่าถ้าคนที่เขาใช้สุราเซวหน้าฝนก็อาจจะใช้คาไฟเยอะขึ้น เพราะว่าแสงสว่างไม่พอพรหน้าร้อนหน้าฝนนี่พ่อจ่ายค่าไฟสามสี่พันบาทพระหน้าร้อนตกพันกว่าบาทสองพันพอาสุรเสืของเราทํางานได้ดีแสงแสงสว่างแสงแดดชา์จไปทั้งวันใช้ไฟราคาถูก น, นั้นก็เลยว่าในเวทนาของเรา มันเปลี่ยนสมุนแสงแดดที่สาดส่องมาตลอดเวทนาภายนอกคืออากาศร้อนเวทนาภายในก็คือทุกเวทนาในกายมันสอดรับกันเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งแผงโซลาร์เซลคือแผงสติสมัมมาจิยะสมุนแผงโซลาร์เซลมีสองขั้วบวกขั้วลบอยู่ในนั้น นี่แล้วก็ถ้าแผงของเรามันไม่เาเรียกาไม่ใหญ่พอนะไม่กว้างพอการชาร์จก็จะไม่มากอันนี้เป็นผลดีแต่ถ้าคนไม่มีสติสมิญญหรือสติมิญญน้อยเหมือนแผงไม่ได้ใช้แผงสุาร์เซลล์เวทนาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เหมือนแสงแดดไม่สามารถจะเป็นเป็นพลังงาน ไฟไดนะ้แต่ถ้าเรามีสติมัญญาที่เข้มแข็งเนี่ยทุกเวทนาเจอความร้อนก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิปัญญาได้เข้มเข้มข้นขึ้นนั้นเวทนาเป็นเป็นกลางๆงเวทนาร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเมันเป็นอาการของอนิจจังทุกขังหน้าตาเป็นอาการของตจรักตจรักนี้จะมีความ เข้มแข็งเข้มข้นรุนแรงหรืออ่อนขึ้นอยู่เหตุปัจัยสีประการก็คือ 1. การกระทำสองอารมณ์สดินฟ้าอากาศสก็ อ, อาหารที่บริโภคเข้าไปตามภาษาปริยัติทาเรียกว่ากรรมจิตอุตุอาหารถ้ากรรมจิตอุตุอาหารมีความร้อนแรงเวทนาก็กล้า ถ้ากรรมจิตตัวอาหารมีความอ่อนอเวทนาก็อ่อนเวทนาก็เบาในฤดูการฤดูดดดดดแรงเนี่ยกรรมก็คือการกระทำการเคลื่อนไหวของเราถ้าทำงานในหน้าร้อนเราก็จะมีกำลังบวกกำลังร้อนรับ่้เปสองเท่าจิตและอารมณ์ ที่ไม่มีสติมยาคอยเป็นฉนวนกั้นระหว่างเวทนาทางกายอารมณ์ของเราก็จะมีความทุกพล่านแล้วก็เราร้อนบีบคั้นนะเพราะไม่มีแผงที่จะแปลแผงวงจรคือสติสัญญาเป็นเหมือนแผงสุลาเซีลที่จะแปลกระแสงความร้อนให้เป็นพลังงาน พอเรามีแผงของสติมัญญาก็แปลงเวทนาที่เราร้อนเนี่ยให้เป็นกระแสแห่งสมาธิและปัญญาเป็นตบะนั้นเองหน้าที่ของเราก็ต้องผลิตตัวสถิชัยะเสมือนแสงแผงสุรารเซลล์แผงสุรารเซลยวมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นโมโนกูกาโพรีซึ่งมีความ อีกประเภทหนึ่งที่เราเป็นคาร์เรมูฟัสที่มันไม่ต้องการแสงแรงมากแต่มันต้องการแสงสว่างความสว่างอย่างอย่างเยอรมันเนี่ยใช้แผงโซลาร์เซลล์กันแทบทุกหลังคาบ้านทั้งทงที่ทปีหนึ่งเขามีแดดไม่กี่เดือนแต่เขาก็ก้าลงทุนเพราะเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมฟัสคือมันแค่มี ความสว่างมันก็แปลงเป็นพลังงานได้แล้วบางทีไม่จเป็นจะต้องมีความร้อนร้อนแรงนะแค่มีแสงสว่างแล้วก็ดูดดูดแสงด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นแผงโซลารเ์เซลล์มีคุณภาพสูงที่ผลิ ต, ลตในเยอรมันชั้นใดก็ดีถ้าเป็น สติสมยิญยมี2ระดับหนึ่งสติสมิญระดับสมถะเหมือนแผงเซอรเซียวระดับโมโนคัปโหรีมันจะต้องอาศัยความร้อนแรงหรือจผิดเป็นกระแสเป็นตะบะเปลี่ยนเป็นตะบะได้คือขันติความบุญทุนเป็นตบ ะ, ตบตบะแต่แผงที่เป็นโมฝายนั้นเปรตเหมือนกับวิปัสนาแค่มีแสงสว่างเท่านั้นก็สามารถที่ผลิตเป็น พลังงานความร้อนได้ดูดแสงเข้ามานะความเซนซิทีฟในการรับแสงแสงสูงนี่เป็นวิปัสนาหมายความว่าวิปัสนานั้นอายตนะของเราที่ตั้งรับทั้งหกแผงเนี่ยเหมือนแผงใหญ่ตาแผงหนึ่งหูแผงหนึ่งจมูกลิ้นกาใจแผ ง, งตั้งรับ ดูรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแปลงเป็นแค่กระทบเท่านั้นแหละแค่กระทบนะแค่กระทบก็แปลงกลนเป็นตัวผัสสะก็เป็นปัญญาได้เลยนะเพราะว่ามีความทีในการรับรู้สูงใ น, นสติสัมยาที่เราฝึกเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันก็จะไป แปลงตัวสัญญาณการกระทบของรูปเสียงกลิ่รสสัมผัสให้เป็นปัญญาได้ลักษณะนี้จะดีแต่พวกเราที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสุรเสละก็นึกภาพไม่ออกเป็นยังไงนะแต่หลวงพ่อได้คุกคีศึกษาเรื่องนี้พอสมควรเป็นข้อมูลก็มาพิจนารณาโอลักษณะของภายนอกภายในมันก็เรื่องเดียวกันแต่มันคนละลักษณะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเอง นั่นการพิจารณาในเวทนาที่มากระทบเนี่ยถ้าเราเฝ้าดูอาการของเวทนาโดยที่ไม่เข้าไปร่วมเป็นเวทนานะคือไม่ไปร่วมร้อนไม่ไปร่วมเย็ยนร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงอะไรหมดแต่แต่ความดูความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงแต่ไม่ร่วมที่จะเข้าไปเป็นเย็ยนร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงในระดับทั้งหยาบกลางละเอียด แต่ถ้าหยับกลางละเอียดเราอาจจะเข้าไปร่วมเป็นประมาณก็ได้เพราะเวทนาระดับละเอียดคือสุขเวทนาเวทนาระดับกลางคืออทุกรรมสุขเวทนาเวทนาระดับหยากก็คือทุกขเวทนาเนะี่ยสำหรับคนที่มีสติสัญญะค่อนข้างอ่อนก็เข้าไปร่วมได้ทั้งเวทนาทั้งหมดคนที่มีสติสัญญาค่อนข้างแข็งก็อาจจะร่วมเป็นบางส่วนนะ แล้วก็รู้เท่าทันเป็นบางส่วนคนที่มีสติญะเข้มแข็งในระดับปรมัติ์ก็จะไม่ร่วมเลยแต่เป็นรู้แยกชัดนี่คือความได้เปรียบของผู้ที่ปฏิบัติเพราะนั้นเองในการเฝ้าดูเวทนาเย็นร้อนองแข็งเคร่งตึงถ้าเราดูเป็นมันก็จะไม่เป็นกำลังที่มาบีบคั้นแต่มันจะแปลงเป็นแสงสว่างทางปัญญา ซึ่งตัวปัญญานี้มันก็เอามาแปลงเป็นพลังพลังงานกลหลายๆด้านเช่นเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานทั้งวันทำไมมันจึงไม่ร้อนนะเพราะอะไรเพราะมันมีพัดลมระบายความร้อนในตัวของมันเองอ่าฉันได้ก็ดีตัวจิตของเราเนี่ยถ้ามันสามารถ แปลงตัวกระทบเวทนาเย็นแล้อ่อนแข็งขึ้นถึงขังข้งอยากกลางละเอียดเข้าไปในจิตที่เป็นญาณปัญญาเนี่ยมันก็สามารถแปลงเป็นตัวระบายได้ด้วยตัวผ่อนคลายเช่นเราแปลงกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นพัดลมหรือตู้เย็นหรือแอร์แปลงความร้อนให้เป็นเย็นช่ำได้เหมือนกัน ถ้าไม่มีไฟถ้าไม่มีร้อนเย็นก็ไม่เกิดไฟไม่ติดไฟดับแอร์ก็ดับด้วยฉันนึก็ดีสุขเวทนาถ้าเราทุกขเวทนาถ้าเราแปลงเป็นมันก็ก่อให้เกิดความชําเย็นเกิดความปิติเพราะนั้นคนที่ดูเวทนาเป็นถึงจะร้อนขนาดไหนก็รู้สึกเย็นสบายไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวาย เหมือนเราแปลงกระแสโซร์เซล์กระแสไฟฟ้าที่มีพลังสูงให้เป็นแอร์ยิ่งไฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเย็นมากเท่านั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นนรูปธรรมแต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมก็เช่นเดียวกันยิ่งเราแปลงเวทนาหยาบกลางละเอียดให้เป็นพลังรู้กระแสของความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะความเยือกเย็นผ่อนคลายในกายในใจของเรา ไม่รู้สึกว่าความร้อนเป็นอุปสรรคซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะฮะแต่บางครั้งถ้าหากว่าสติสัมยาเราไม่เข้มแข็งคอเราก็จะเผลอนะเผลอไปเป็นได้เหมือนกันแล้วก็ปรับนะในตัวสุดเชอร์เองก็มีปัญหาเยอะเพราะนึนจะมีความละเอียดอ่อนหละอย่างใน สติสัญญาที่เราฝึกนีอกันถ้าว่าเราไม่ลอบพอบจัดไม่ชำนาญจริงๆก็เรียกว่าปรับยากเหมือนกันตอนแรกที่สุลัเซียวชุดแรกที่มาทำก็คือจ้างช่างที่ชำนาญขึ้นไปทำเพราะปรากฏว่าต้องค่าใช้จ่ายสูงมากแต่พอต่อมาได้ช่างที่เขาบรรลุทำเรื่องสุลัเซียวขึ้นไปทาก็ปรากฏว่าไม่ต้อง สินเปลืองค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ได้พลังไฟสูงนะเก็บกำลังไฟไว้เยอะชั้นใดก็ดีถ้าหากเราเป็นผู้ปฏิบัติจนเป็นชนิชำนาญเนี่ยสามารถเห็นอาการต่างๆของเวทนาจนทรุ ป, ปุโปร่งปัญญาก็จะเกิดมีพลังสูงภาษาลิบุตรเนี่ยท่าน พิจาเอาเวทนาในเป็นฟังกรรมฐาน เ, าเวทนาที่พระุทธเจ้าตรัสสุนทนาธรรมกับท่านทีคานะคาอกิเวสนาโคตตอนนั้นพระสาสดบุตรยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่รู้พระหานแต่หลังจากที่ได้ฟังการสุนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับทีคานะคาอกิเวสนาโคตท่านก็ฟังแอบฟังไปด้วยท่านไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้จัดกับท่านโดยตรงหรอกท่านก็แอบฟัง ฟังแล้วปรากฏท่านก็พิจารณาตามเอาท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ในในช่วงนั้นเลยนะโดยที่ไม่ต้องทําความเพียรใดเลยนะแต่เนื่องจากว่าท่านได้ได้เรดินใจเห็นธรรมแล้วเนี่ยการพิจารณาก็เป็นไปได้นะนั้นเรากันพิจารณาเวทนาที่ปรากฏเนี่ยเราก็เอาเวทนาตัวนี้มาเป็นอารมณ์เวลาเราสวดสุขขังเวทนางเวท เวยามโนเมื่อเสวยเวทนาที่สบายเวสุคังเวทนังเวทยามีติประชาลิให้รู้ชัดๆว่าเรารู้สึกสบายทุคังเวทนังเวทยามโนเมื่อรู้สึกไม่สบายก็ ใ, ktoś, um, ให้รู้ชัดๆทุคังเวทนังเวทยามีติประชานติให้รู้ชัดๆว่าเรากําลังเสวยความรู้สึกไม่สบาย อาทุกข์มาสู่ข้างเวทนาเวทย์ะมโนเมื่อรู้เมื่อสวยอารมณ์ที่ทั้งรู้สึกสบายหรือไม่สบายก็ให้รู้ชัดๆว่าเรากําลังสวยดวงทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันรู้สึกทั้งสบายและไม่สบายพอรู้ชัดเข้าไปอย่างเนี้เรืยเรื่อยๆตามลำดับจิตของเรามันก็มีเวทนาเป็นอารมณ์นี้นอยรู้สึกเป็นไงง่วงใช่ไหมไปไปนอนได้ไหมไปนอนก่อน ไปนอนนั่งค่ำๆก็ ง, ง, ง่วงเียนั่งตรงๆสูนให้ใจให้ลึกๆไ <c oughs> หว้ตาวหรือไปนอนก่อนก็นได้นะรู้สึกง่วงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฮ ะ, ฮะเป็นทุกข์เหรอทุกข์ไปง่วงทำไมก็รู้ว่ามันทุกข์เป็นง่วงทำไ ม, ก, ม, ก, ำไมก็ทิ้งเลย เออถางง่วงมันไปสุกก็น่า ง, ง่วงหน่อยนะง่วงเราไปทุกไปง่วงทำไมพิจารณาดิอันนั้นความรู้สึกง่วงเพราะเราติดสุกมันถึงได้ง่วงเพราะความสุขเวทนาอง่วงเนี่ยมันพัฒนามาจากกา마ฉันทะแต่บางคนไม่ง่วงฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านคิดมากมันจะพัฒนามาจากพยาปาทะเหรวครับเพราะนั้นการมาฉันทาพย า, พย า, ปาเป็นนิวรณตัวที่หนึ่งพยาปาทะนิวรณตัวที่สองแต่เราไม่สามารถรู้เท่าทันการมาฉันทาคือความรู้สบายตัวที่นึงนะมันจะกลายเป็นความง่วงหรือความไม่อึดอัดกัดเคืองไม่ไม่สนุกไม่สนานเบื่อเซงเราลืมกำหนดตามรู้ตัวนี้มันก็ออกมาเป็นความฟุ้งซ่าน เพราะฉะนั้นตัวกา ร, รมาฉันทะมันจะออกมาผลเป็นความง่วงพยาประทะบผล่วงเป็นความฟุ้งซ่านกา ร, ก ร, รมาฉันทะกับความง่วงจึงเป็นราคะพยาปาทะกับความฟุ้งซ่านจึงเป็นโทสะแล้วก็ตัวสงสัยมาเป็นโมหะราคะโทสะโมหะก็เหนื่ยจากนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองพอเรารู้เท่าทันนิวรณ์ทั้งหก็รู้เท่าทัน เกี่ยงสามตัวทีนี้วอนทังห้ามาจากอะไรทีนี้การเมตสันทะเกิดทุกความสบายใช่ไหมความสบายเพลินมาจากนันธิอนันธิมาจากอะไรที่ว่าตอนชา้ามาจากความติดใจสูมณสเวทนาใช่ไหมความติดใจเกิดมาจากอะไรสุขเวทนาคือความสบายกาย พอเราลืมกําหนดรู้ความรู้สึกสบายก็ไปกลายเป็นโสมนัสสเวิทนาเราไม่มีสิิตามรู้โสมนัสสาวิาคือความชอบใจก็ไปเกิดเป็นนันธิเพลินในความชอบใจเพราะเพอในความชอบใจก็ออกมาเป็นกามาชันทะกามาชันทะออกมาก็เป็นตัวถีนมิทะความง่วงอลไรยงพัฒนาไปเรื่อยๆมันมีที่ไปที่มาไม่ใช่มันจู่ๆจะง่วงนะแต่เราไม่ได้ตามรู้มันหลายขั้นเลยเข้าใจไหม เออเธอจะเป็นสายลิบุตรองค์ที่สองแ้วเนี่ย เ, ยนะเด็กบรรลุธรรมนะนิดน้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเวทนาเรื่องเดียวได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระสายลิบุตรึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเป็นผู้เลิศทางปัญญาเพราะท่านตามรู้เวทนาเป็น อารมณ์ประจําเพราะท่านได้บรรลุธรรมด้วยเวทนาท่านก็เอาเวทนาเนื้อมาเป็นอารมณ์เป็นผู้เลิอ ด, ด้วยปัญญาเหมือนกับเราตามรู้เหมือนกับแผงสุลตเซียวรับแสงสว่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลังสุรตเซียวที่แปลงเป็นพลังไฟฟ้ามหาศาล เพราะนเยอรมันเขาก็พยายามยกเลิกการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจากพลังงานปรมาณูจากไอขือน่นน้ามาใช้โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดเดี๋ยวนี้ผลิตลรถโซลาร์เซลล์ออกมาขายอีกบอดี้ทั้งตัวนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์หมดนะจะเห็นว่าในเวทนาเนี่ย ถ้าเราตามรู้มันได้จริงๆเนี่ยปัญญามันเกิดเยอะแต่แผงสซลาเซลของเราเนี่ยยี่ห้ออย่างไรเท่านั้นเองจะเป็นโมโนโพลีจะเป็นโมฟาสว่าเราเป็นนิสัยทางด้านสมถะและวิปั ส, สนานะถ้าเป็นโมโนหรือโพลีมันก็เป็นโพลี Poly ก็เป็นสมถะถ้าเป็นโมฟาตก็เป็นวิปั ส, สนา อันนี้เราก็เลือกไม่ได้เนาะแล้วแต่วัตถุดิบที่พ่อแม่ให้มาร่างกายของเรานะี่พ่อแม่ให้มาให้กําเนิดมามีสติปัญญาดีแล้วก็เหมือนไดไดชาติกําเนิดมาดีไดวัตถุดิบมาดีฉ้อนนั้นศึกษาไปเรื่อยๆเอาเอาสภาวะที่เกิดเป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่ตัวเราเนี่แหละเป็นอุปกรณ์ร้อนก็ได้หนาวก็ได้แต่ประการสําคัญคือเราจะต้องมาตามรู้ว่าตัว สติสัมยะของเราเนี่ยเป็นคุณภาพของแผงสซรเซลยวที่เราจะต้องปรับปรุงให้มันสามารถตั้งรับได้กับเวทนาต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้แปลงให้หมดอ่ะแปลงให้หมดก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึงว่าเออแผงสุรเซียวเวลาตากแดดร้อนๆเนี่ยมันไม่ชาร์จนะไม่แปลง ช่างผู้ชนานาญเขาบอกติดสปริงเกอร์น้ําไว้เหนือแผงด้วยเวลาร้อนจัดๆก็เปิดสปริงเกอร์แล้วความรู้เราคือหนูบอเอ๊ะมันยิงร้อนมันก็ยิงชาร์ดได้เดียวที่ไหนได้เพรร้อนจัดๆมันไม่ชาร์ดก็เลยทําสปริงเกอร์ไว้ล้างแผงในอากาศร้อนๆหรือละอ่างแผงเพื่อมาให้ฝุ่นดองมันจับมันจะชาร์ดไม่ค่อยดีเหมือนกันในในตัว เวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็มองหาสุ ข, ขเวทนาอีกด้านหนึ่งมาแก้ด้วยสมมติว่าเรานั่งมเมื่อกี้เราหนักด้านนี้ใช่ไหมไม่สบายเราก็หาสุขเวทนามาแก้ด้วยการทำไงเปลี่ยนนิยบทอย่างนู้นีรู้ดัวใช่ไ้ยในแล้วเปลี่ยนเนี่ยความผ่อนคลายเกิดขึ้นเราเหมือนกับเอาน้าไปชโลมให้เวทนานั้นเบาบางเป็นต้นผ่อนผ่อ น, อนจากร้อน ให้เย็นลงไปเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเวทนาก็ฟังยากกันนะแต่นั่นหลวงพ่อจะวิจัยให้ฟังในธรรมวิจยะว่ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจได้มันสามารถก็อยู่ทุกเวทนาก็ได้อยู่กับสุเวทนาก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นอยู่กับมันแต่อย่าเป็นมันอยู่กับน้ําแต่ไม่เปียกน้ําอยู่กับ แดกกแดแต่ไม่ร้อนเพราะแดดอยู่กับฝนแต่ไม่เปียกฝนทำไงเคยไหมเดินจากฝนเดินไม่เปียกเคยไหมเคยใช่ไหมทำไงกัดลมนะจากแดดแต่ว่าไม่ร้อนทำไงมีลมมั้ยแดดออกทั้งวันร้อนจัดมากแต่ว่าไม่ร้อนเลยทำไงเปิดพัดลม พออยู่แนห้องแอร์มีเครื่องป้องกันเหมือนกันน่ะเวทนาที่มากระทบตัวเราเนี่ยเป็นทุกเวทนามากๆเลยปดร้อนแสบคันแต่ไม่ทุกเลยนะแต่ร่างกายมันก็เป็นมีปฏิกิริยาของความไม่สบายอยู่แต่ลักษณะที่ร่างกายมันร้อนจัดเย็นจัด มันเป็นปริที่ยาของการกระทบเท่านั้นเองเราก็ไปตามรู้มันถ้าหากว่าร่างกายถูกบีบพั้นเกินไปแล้วก็ผ่อนคลายมันหน่อยหนึ่งพอทนได้เพราะร่างกายยังไงมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วน่ะเพราะมันเป็นสังขารโดยกําเนิดมันต้องได้เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้สังขารและวิสังขารจะให้มันปรุงในสิ่งที่มันกระทบก็ได้ไม่ให้มันปรุงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัว ความเร็วของสติสัมปญะเนี่ยมีความเร็วที่สูงแค่ไหนถ้ามีเป็นไฮฟรีเควนซีสามารถที่สติสัมปะมีเป็นความถี่สูงมากสามารถที่เข้าไปรับรู้เวทนาต่างๆที่มากระทบแล้วแปลงเป็นพลังงานถึงปัญญาได้ทันทีตรงนั้นก็เวทนาก็ไม่เบียดเบียนจิตทางกายก็ผ่อนคลายไปด้วยนะ นั่นเองก็อย่าไปกลัวว่าอากาศมันร้อนแต่คิดว่าเราปฏิบัติธรรมอากาศร้อนก็นึกในใจว่ามันไม่ถึงตายหรอก อ, อ, อ, อ, อืเราก็มองในแง่ดีเอาไว้นะคือไม่ตายหรอกแต่ว่าที่เราไม่ชอบมันเพราะอะไรเพราะเราเคยเสพติดสุขเวทนาเมื่อเราเสพติดสุขเวทนามากเท่าใดเมื่อทุกขเวทนา กระทบเข้าเราก็าจะรับความแสบเจ็บแสบแล้วปวดแสบปวดร้อนมันจะตีกับเขาเรียกวปฏิกิริยาตีกับบุ๋มแรงอย่างนี้เพราะนั้นคนไหนชอบมากๆคนนั้นเวลาไปมีอะไรกระทบตรงกระข่าก็ชังมากๆคนไหนชอบอร่อยมากๆเวลาสิ่งที่ตรงกระข้า ก, กระทบก็ไม่อร่อยมากๆคนนั้นมีความ ติดใจอะไรง่ายๆชอบใจอะไรง่ายๆอเวลามีอะไรกระทบก็จะอารมณ์เสียง่ายๆได้เหมือนกันเพราะมันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับตลอดเวลาแต่เราจะรู้เท่าทันหรือไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราชอบใจอะไรชิ้อย่างหนึ่งต้องเตรียมใจอีกส่วนหนึ่งว่าเราจะได้รับความเจ็บปวดเท่ากับความอร่อยที่เราได้รับขนะนี้ความอร่อยที่ได้รับขนะ น, น, นี้แล้วมันตีกลับก็เป็นความเจ็บปวด เช่นเดียวกันดังนั้นผู้รู้ท่านจึงไม่เข้าไปเสพความอริดอร่อยเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันตีตรงข้ามแล้วท่านก็ต้องรับผลของมันคือความไม่อร่อยความไม่ชอบใจเพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดเหตุที่จะต้องให้ชอบใจท่านก็จะไม่ เ้าไปเสพความชอบใจเพราะรู้ว่าความชอบใจเนี่ยมันจะต้องตีกลับเป็นความไม่ชอบใจที่รุนแรงได้เรายิ่งชอบใจพอใจมากเท่าไหร่ความไม่ชอบใจความไม่พอใจก็แรงมากเท่านั้นเหมือนกันเมือ่ั้นไม่เสพทั้งนี้เสะทั้งนั้นเราก็ไม่ได้รับจิตมันก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นสุขทุกสุขมากระทบไม่เสพก็ไม่ต้องไปรับทุกทุกขมากระทบไม่เสพก็ต้องก็ไม่ต้องไปรับสุข จิตมันก็เป็นกลางเจ้า ล, ละทุกละสุขเสียได้อยู่เหนือสุขเหนือทุกเพราะเราไม่เสีบทั้งสองข้างถ้าเราเสีบสุขเราก็ต้องรับทุกแล้ว เ, เสีบทุกเราก็รับสุขจิตของเราก็แกว่งไปอย่างเงี้ใช่ไหมแข่งซ้ายคอยขวาทีเหมือนลุกตุ่มแต่เพราะมันหยุดปับ๊บอยู่ตรงกลางปับ๊บมันไม่ต้องไปเสีบสุขเราก็ไม่ต้องไปรับทุกอ่า แต่สําหรับผู้ดชนผู้ไม่ได้สดับมันเป็นไปไม่ได้มีสุขเป็นเหตุให้สุขก็ต้องสุขเป็นเหตุให้ทุกข์ก็ต้องทุกข์ไปตามแรงเหวี่ยงของเวทนาแต่ว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสุขในทุกข์ชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ไม่เสพทั้งสองด้านพุทธเจ้าท่านตรัสในธรรมจักรว่าบรญพิชิตหรือผู้ปฏิบัติพึงละทางสุดตรงทั้งสองข้าง คือสบายหรือไม่สบายความชอบใจและความไม่ชอบใจพอมาสติปัฏฐานสูตรทขาต้องบอกว่ากาเยกายานุป ay at ัสสีวิหารติเวทนานุปัสสีวิหนจิตตาธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโอสติปาวิเัยเยโลเกอาภิชาโทมนาสั่งว่าให้เจริญสติตามรู้กายเวทนาจิตธรรม เพื่ออะไรเพื่อละความพอใจและไม่พอใจคือละทั้งสองข้างเลยในตี่ประธานสูญทุกแข่งให้สรุไวงั้นเราจะในสี่ประธานเพื่ออะไรเพื่อละความสบายและไม่สบายความสบายและไม่สบายมันเกิดขึ้นกับกายตลอดเวลาเพราะกายนี้เป็นผลพวงของการเกิดและการดับความสบายเราเรียกว่าดับความไม่สบายเรียกว่าเกิด การเกิดดับเป็นสภาวะที่เป็นปรมัทิตย์มันก็ออกมาในรูปของความสบายและไม่สบายความสุขความไม่สุขความทุกข์ความไม่ทุกข์ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเสพมันมันมีอยู่แต่อย่าเสพมันให้ละความยึดเสียแต่ไม่สามารถจะละความสบายหรือไม่สบายได้เพราะมันเป็นเรื่องของสังขารมันจะต้องเป็นไปตามกฎของมันกฎของนิจจังทุกขงังนัตตา แต่ว่าในจิตต้องละในจิตเท่านั้นละทางกายไม่ได้ทางกายได้แต่บำบัดผ่อนคลายเท่านั้นเองนะอันนี้คือเรียนรู้เรื่องของเวทนานะเมื่อพระพุทธเจ้าสุนทนาเรื่องนี้กับทีคานคาคเวสนะครัซึ่งมีศัพด์เป็นลุงของพระสารีบุตรเนี่ยพระวพระสารีบุตรในจมบติที่ยังไม่ได้มาบวชเป็น ยังเป็นหนุ่มอยู่ในีสุนทรณาธรรมกับลุงอยู่เรื่อยแลกเปลี่ยนกันเพราะท่านเป็นนักอ่านนักเขียนนักเรียนนักรู้แลกเปลี่ยนกันแต่ลุงท่านก็เป็นคล้ายๆเป็นหมอธรรมเป็นเจ้ารัธิต้องได้สุนทราถูกเถียงธรรมา ก, กันประจํามีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่ออุปติสสะต่อมาเป็นพระสารีบุตรได้มาเริ่มใส่ในคําสอนของพระอาชชิ เพราะว่าพระเฉ ช, ชิเป็นพระปัจจะวกขีรุ่นแรกที่ถูกส่งไปบ้านนารันธคามไปวินทบาทที่นี่ในตามปกติก็พระตามรัฐิต่างๆในสมัยนั้นก็พระในเมืองไทยนี่แหละเดินบินทบาทเกกะไปตามตลาดตลีไปทั่วแต่ว่าท่านอุปปิศานี่ไปเจอพระอเฉ ช, ชีเดินสํารวมระวัง ไม่เลีวซ้ายเลยขวาเดินเหมือนก็ไม่ต้องการอะไรเออพระองค์นี้แปลกกว่าพระรูปอื่นจะเข้าไปถามว่ามาจากวัดไหนท่านออุบาอาจารย์ท่านเชื่ออะไรท่านรู้ทำอะไรเห็นทำอะไรจะเข้าไปถามโอแต่ท่านมีมารยาทเกรงใจก็เลยไม่ถามในเวลานั้นเพราะท่านกำลังวิทบาบทได้ตามไปห่างๆจนกระทั่งพระเจชีพวิทบาตทมาฉันจ่าสมทุภูมไม้เรียบร้อยแล้วท่านก็ ตอนแรกท่านก็โยอยู่ห่างๆพอเห็นว่าท่านทําพระเสร็จวัดก็เข้าไปถามถามว่าท่านมาจากสําหรับไหนรู้ธรรมอะไรอาจารย์ท่านชื่ออะไรท่าน ร, รู้ธรรมอะไรถ้าชะชีพเป็นผ้าใหม่ก็ถ่อมตนว่าเออว่าสุขฉันเพิ่งบวชไม่นานอาจารย์ฉันชื่อโคตสมณะโคตมะมาจากสักกายบุตรท่านสอนอยู่เสมอว่ า, าท่านสอนเป็นประจําอะ อืมท่านสอนเป็นว่าเยธรรมาเหตุป ป, ป, ปวาวาเตซั่งเหตุ ต, ตุระธาตเตซัจโยนิโรโทจเอวังวาทีมหสมุโมทสอนเนี่ยไปยังอาจารย์เราสอนว่าเนะยธรรมาเหตุปปาเตสั่งเหตุตุทำทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะ มีเหตุมันจึงเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นถ้าจะจัดการแกร่ทําทั้งหลายไม่ว่ายสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลก็ตัดการที่เหตุมันมีที่ไปที่มาทุกอย่างอะสุขมันจะเกิดก็มีที่มาทุกข์มันจะเกิดก็มีที่มาไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดอาจารย์สอนเหล่านี้ประจำเหมือนกันพอฟังแค่นี้ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมเป็นพระสยชระดบับนั้นกถึงตามหาพุริเจ้า ตามพระพุทธเจ้าถึงวันที่สิบสี่นึงลุงมาตามหาได้เจอพุทธเจ้าก็ได้คุยกันท่านก็แอบฟังอยู่ข้างหลังท่านได้บรรลุธรรมเรื่องนึงนี่คาถานี่ก็เลยโอ้คนจำได้คาถาภาษาลิบุบบรรลุธรรมน้อยจำได้ไหมยเยธรรมมาเหาุ้หปกปภาวาเตสังให้ดุงดัทาระโต เอสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหสุนันจะเห็นว่าการตามรู้เวทนาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเย็นแลอนอ่อนแข็งเค่งตึงจัดหรือกลางหรือหยาบกลางละเอียดมีตลอดเวลาให้ตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขยังมีสติสัญยาไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะเกิดมหาศาลเพราะเกิดปัญญาแล้วมันจะเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงเมื่อเขเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วมันจะไม่สงสัย เมื่อสงสัยมันก็ไม่ต้องไปคิดนั่งคิดให้เสียเวลาก็ตามรู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ที่เราเสียเวลาเพราะว่าเราสงสัยไงเราสงสัยเพราะปัญญาเราไม่ไม่สมบูรณ์แต่พอปัญญาเราสมบูรณ์เราดูเรื่องทะลุปูโปงไม่สงสัยพระไม่สงสัยมันก็ไม่ต้องคิดอ่ะมันก็เป็นวิสังขารไม่ต้องกลุ้มรู้ไปเลยรู้ชัดก็จบรู้ก็ชัดเหมือนเราไปหาของเนี่ย เจอของปั๊บไม่ต้องคิดแล้วแต่หาไม่เจอเนี่ยมันต้องคิดเยอะเลยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนกันการที่เราสงสัยอยู่ก็แสดงว่าเรื่งหาความจริงยังไม่เจอแต่พอรู้ความจริงเจอแล้วไม่ต้องคิดแล้วจบ ừ, ทุกมันก็หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไปทำจะไปนั่งง่วงน ะ, ะตาเริ่มสว่างแล้วใช่ไเออบอกดีแล้วไม่ให้เป็นไม่ให้ไปนอน นี่นะในน้นน้อยสมัยก่อนรูนเจ็ดขวบรรลุธรรมนะี่ยนี่แหลสังกิจจาสมณี น, นอธิมุตตะกาสมณีราหุนสมณีพวกนี้เข้าบรรลุธรรมอธิมุตตะกาสมณีเพราะฉะนั้นเองก็ให้เอาทุกขเวทนาเกิดจากความร้อนเนี่ยเอาไปเป็นนิมิตอย่างคืนเนี้ยโอ้โหอากาศหนาวร้อนๆในเมื่อวันน้ในห้องมีพัดลมหรือเปล่า แต่ที่วัดขอยหลวงพ่อมีพะดมให้ทุกห้องเลยนะแต่ที่นี่มีรู้มีหรือเปล่าไม่รีก็นอนเหงื่อแตกซุกไปหาน้าอาบเอาเองก็แล้วกันหรือไม่งั้นก็เอาผ้าชุบน้ำเวลาเดินโยกรุมนะหลงพ่เอาผ้าชุบน้ำหม่มวันนึงชุบกันหลายครั้งอสมัยก่อนเพราะฉะนั้นก็หาวิธีบาบัดกแล้วกันใช้เป็นรูปประธรรมนะใช้สีปัญญาง่ายๆ ก็เลยว่ากลัวไปะจะทรมานมากก็เลยก็แบกเอาแอที่วัดมาด้วยแอร์น้ําที่วัดมาด้วยนะพอก็พอทนได้ใช่ไหมไม่ถึงกับเหงื่อไหลใครฟังก็ไม่รู้ว่าทนกันได้แค่ไหนแค่แค่นั้นนะนะ่ะเนาะนั่นเวลาเหลือนี่ประมาณสิบนาทีให้ไป น, นอนหลับใครนอนหลับเมื่อคืนไม่ค่อยหลับก็นอนใหม่นะวิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วว่านอนแล้ว อาจาเขาออกเล่นเลึกอเลื้เล่นนาฬนาป่าไปศึกษาเอสเคทของอาจารย์ท่าที่สองท่าที่สองเรายืนยกมือแบบนี้เราเวลานอนเอามือไว้ข้างเหนือศีรษะนี่มันลับไว้ไว่นีด่เดียวไปเลยไม่เชื่อลองทำดูสมัยเราเป็นเด็กเล็กๆนอนเอามือไขว้บนหัวแต่ไม่ใช่มือกายหน้าผากนะเอามือวางบนหัวนอนหลับง่ายนั้นก็ ลองดูหลายอย่างการศึกษาวิเคราะห์การนอนหลับวิเคราะห์การตื่นต่างๆทดลองไปเรื่อยๆมันจะหลับไม่หลับเปเรื่องของมันแต่หน้าที่เราทดสอบทดลองศึกษาไปเรื่องของเราก็ทําได้เราสร้างเหตุปัจจัยของมันได้แต่อย่าไปหวังจะให้มันหลับอย่างที่เราต้องการไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาอันไหนที่อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อันไหนที่มันเป็นธรรมมาเนี่ยเราสามารถบังคับบัญชาแต่งสร้างได้ เราฝึกฝนเราปรับย่าง่ึ้นยมันเป็นธรรมเพราะเรามีเจตนาที่จะทำเป็นกุศลก็เป็นเหตุปัจจัยให้มันหลับได้สบายนะ